ไม่มีผลเพราะถ้ากามวิตกเกิดมากๆนะปาณาติบาตก็ไม่จะไม่มีผลอธินนาทานก็จะไม่มีผลปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปไปหมดเลยนันก็ไอๆขันห้าทั้งหลายเนี่ยมันจึงเป็นแหล่งเพาะพันุ์ของมิจฉาทิฐิและ ว, วิตกก็เป็นแหล่งเพาะพันุ์ของมิจฉาทิฏฐิโดยเฉพาะอากุศลวิตกทั้งหลาย เพราะพวกนี้ก็อันตรายมากถ้าใครไม่ทําปริญญาในวัตถุเหล่านี้นี่ก็บอกเลยว่าให้เจริญกรุณาให้ตัวเองไว้เยอะๆเนี่ยนะเพราะว่าข้อปฏิบัติผิดในโลกนี้คือข้อปฏิบัติยังไงรู้ไหมข้อปฏิบัติที่มุ่งเฝ้าขันห้าหลักการหรือทิฏฐิใดที่เป็นไปเพื่อรับใช้ขันห้าหลักการและทิฏฐิเหล่านั้นแหละเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะไม่นําออกจาก วัตทุกเนี่ยนะก็วัตทุก็คือขันห้าเนี่นยแหละก็รับใช้ขันห้าทิ้งมหาภาระอันนี้ก็ถือเอามหาภาระอันใหม่ทิ้งมะเร็งก้อนนี้ก็ถือเอามะเร็งก้อนใหม่อยู่อย่างนี้แหละนะคุณปิดานะทิ้งเข็มอันนี้ก็เอาเข็มอันใหม่มาอีกแล้วเนี่ย น, นะเชาวเข็มเย็นขเข็มเช้าเข็มเย็นเข็มพูดอย่างนี้ไม่ใช่คุณปิดาคนที่เราเ ข, ข, ข, ขมาเคยเป็นนะตอนนั้นเรียนอยู่ชั้นปฐมปีที่ห้าโอ้ไปติดมาลาเรียมาแล้วมันก็ป่วยพร้อมกระรองเลย เเจ้าหน้าที่อนามัยอ่ะนะสาธารณสุขของอนามัยอ่ะก็ฉีดยาให้เช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นนู้วิเป็นครึ่งเดือนอ่ะนะฉีดไม่รู้ฉีดยาอะไรไม่รู้แต่ว่าถูกฉีดเช้าเย็นกันแล้วกันอ่ะนะครึ่งเดือนอ่ะนะพร้อมเออรอดตายมาได้ก็มาศึกษาธรรมะนี่ก็ดีแล้ ว, ม ไ, ม ไ, วไม่ใช่โรงพยาบาลเป็น อันมั้นไมั่นนะอันนั้เพราะว่าโอ้โหโรงพยาบาลกับหมู่บ้านเนี่ยมันห่างกันมากๆเลยสมัยที่ไฟฟ้าอะไรก็ไม่มีสักอย่างนนน่ะท้อก็สมัยเด็กๆนะก็มาเห็นรถสมัยเด็กๆหมู่บ้านเนี่ยถ้าเห็นรถยนต์มานี่วิ่งไปดูกันเลยอ่าประเภทกลุ่มนั่นน่ะโอรถไปเรื่องอัศจรรย์มากต้องวิ่งไปดูรถสัหน่อยวันไหนได้เข้าตัวอำเภอเนี่ยโอ้ยิ่งใหญ่จริงจนันะ นี่มาดูสัมมาทิฏฐิบ้างนะว่าที่ว่าก็สัมมาทิฏฐิเป็นเชไหนเพราะตัววิปัสสนาสัมมาทิฏฐินี่จะต้องรู้จักว่าอะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิอะไรเป็นสัมมาทิฏฐิรู้แล้วใช่ไหมว่าความคิดใดเป็นมิจฉาทิฏฐินี่มาดูความคิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี่แบ่งออกเป็นสองพวกสองกลุ่มคือสัมมาทิฏฐิที่ยังเป็นสาสวะ สาสวะนี่แปลว่าเป็นอารมณ์ของอาสวะอยู่สามารถเป็นแดนโคจรแห่งกามาสวะภาวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะนี่เรียกว่าเป็นสาสวะหมายว่าแดนโคจรแห่งอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันทั้งหลายหมายคือว่าเป็นความเป็นทิฐิที่ยังให้ผลอยู่ที่เราคุ้นเคยกันในนามอะไรทิฏฐิขตสัมปยุทธใช่ไหมทิฏฐิขตสัมปยุทธที่เป็นเหตุก็ให้วิบากใช่ ให้วิบากเป็นติเหตุกะปฏิสนธิทั้งหมายมันกับสัมมาทิฏฐิที่เป็นอริยะหมายถึงสัมมาทิฏฐิที่เป็นอนาสะวะหมายว่าอาสะวะไม่จับต้องเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคคือเป็นองค์อริยมรรคระดับโสดาปติมรรคขึ้นไป มาดูสัมมาทิฏฐิที่เป็นสาสะวะเนี่ยนะคือยังเป็นเป็นไปในส่วนแห่งอาสะวะหมายคําว่าเป็นอารมณ์ของอาสะวะเป็นแหล่งโคโจรแห่งอาสะวะอยู่เพราะว่าผู้มีปัญญาเนี่ยก็ไม่ได้พ้นจากอาสะวะใช่ไหมถึงปัญญาทําบุญทํากุศลก็ไม่ได้พ้นจากอาสะวะอะไรถ้ากุศลธรรมดาทั่ ว, วไปเนี่ยนะ ส ม, มาธิที่ยังเป็นสาสะวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันเป็นฉไนคือความเห็นดังนี้ว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลเออขไปทานที่ให้แล้วมีผลให้ผลเป็นอะไรที่จะทบ้างอุปชาเวทนียกรรมบัางอัปราภะเวทนิยกรรมบัางยันที่บูชาแลว้วหมาย ว, าว่าการสงเคราะห์หมู่ชนทั้งหลายมีผลการบวงสรวงหมายถึงการต้อนรับการเชื้อเชิญการทำมงคลมีผล ผลวิบากแห่งกุศลกรรมบดก็มีอยู่ผลวิบากแห่งอกุศลกรรมบทก็มีอยู่สัตว์ที่ตายจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ก็มีผู้ที่จุติจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นก็มีอนะทําดีทําชั่วกับพ่อแม่ก็มีผลเนทําดีกับพ่อแม่ก็ได้บุญทําชั่วกับพ่อแม่ก็เสื่อมบุญมัน ง, งั้นก็ได้บาปนั่นแหละโอปปาติกะมีก็คือพวกจุติปฏิสนธิ ผุดโตพุบโตทันทีในนรกกว่ามีโตทันทีในมูเทวดากว่ามีเป็นต้นนั่นนหะสมณะพราหมณ์ทั้งหลายผู้ดำเนินไปชอบปฏิบัติชอบซึ่งประกาศโลกนี้โลกหน้าให้แจมแจ้งรู้ยิ่งด้วยตนเองในโลกมีอยู่ก็สุดท้ายก็ยอมรับว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอยู่นี่นะพระองค์มีอยู่นะพระองค์มีอยู่ก็คือมีอยู่ในฐานะอะไรผู้เป็นสัพพันธ์อยู่ใช่ไม รู้แจ้งโลกนี้รู้แจ้งโลกหน้ารู้ทางมารก็รู้บ่วงมารเบ็ดมารหรือแม้กระทั่งรู้จากทางกเกษมปลอดภัยเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มีอยู่นะก็พวกที่มีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐินี่แหละทาให้นับถือพระัตนมตรายทําให้มอบกายถวายชีวิตแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ถึงไตรสรณคมเมื่อถึงไตรสรณคมก็จะตามมาด้วยวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเป็นต้น ตัวในข้อสองห้าสิบี่เนะเป็นกรร ม, มสกตาสัมมาทิฐิตัวข้อสองรอห้าสิบเจ็ดนี้เป็นกรร ม, มสกตาสัมมาทิฏฐิสองยห้าสสี่ น, นะนี้เป็นวิปัสนาสัมมาทิฐิ ข้อสองร้อยห้าสิบเจ็ดนี้เป็นกรร ม, มสกรตาสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิตัวนี้เนี่ยบอกว่าย่อมรู้ชัดมิจฉาสัมมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิรู้ชัดสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิความรู้อันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิตัวนี้เป็นวิปัสนาสัมมาทิฏฐิเนไหมนะวิปัสนาสัมมาทิฏฐิตัวนี้เนี่ยรู้อะไรรู้รู้รู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็น มิจฉาทิฏฐิรู้จักสัมมาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐินี้เป็นโลกุตระไม่มีมิจฉาทิฏฐิตัวนี้ก็คือมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุสิบมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ10บถ้ามิจฉาทิฏฐิมีวัตถุสิบมีอย่างนี้จะตามด้วยมิจฉาทิฏฐิอย่างอื่นอีกเยอะแยะไปหมดเลย ส่วนสัมมาทิธินี้แบ่งออกเป็นสองไหมคือกรรมมัสกตาสัมมาธิธิกับโลกุตระสัมมาธิธิเนี่น ย, ยตัวโลกุตระสัมมาธิธิเรายังไม่พูดถึงพูดถึงเฉพาะส่วนที่เป็นกรรมมสกตาสัมมาธิธิมีวัตถุ สินนะตัววิปัสนาสัมมาทิฏฐิเนี่ยไปรู้มิจฉาทิฏฐิโดยอะไรโดยโดยรู้ว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยเป็นสังคตะธรรมเนีย่ยนะปฏิจจสมพ ป, ปะธรรมขยะธ ร, รมมังมยธ ร, รมมังเป็นต้นเนี่ยนะเป็นธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นสิ่งที่มีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมด า, านะ รู้รู้ตัวนี้เนี่ยนะโดยอารมณ์ส่วนรู้ตรงนี้โดยอสัมโมหะคือโดยไม่ลุ่มหลงจําเป็นไหมต้องเอามาบอกปัญญาก็ไม่เที่ยงต้องไหมจําเป็นต้องพูดอย่างนี้ไหมไม่จําเป็นท่านจะไม่พูดคํานี้เด็ดขาดจะหลีกเลี่ยงมากที่จะบอกว่าปัญญาก็เป็นทุกข์อย่างเงี้ยนะเพราะอะไร นนบางแห่งเนี่ยท่านพูดอย่างนี้เลยนะท่านจะพูดแต่ว่าสัพเทสังขาราอ น, นิจจาสัพเทธรรมาอ น, นัตตาจะไม่หลีกเลี่ยงไม่พูดสัพเทสังขาราทุกขาทำไมอไบางแห่งบางคนเ็าพูดอย่างนี้เขาบอกว่าถามว่ามรกเนี่ยมรุ๊กหรือเป็นสุขเล่า เขจะถามแบบนี้ขึ้นมาเนะยบางคนเนี่ยเลยทงเอามากๆเลยท่านจะบางแห่งจะหลีกเลี่ยงไม่จําเป็นจ้องพูดว่าวิปัสสนาหรือมรรคผลเป็นทุกข์เนี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเป็นทุกข์จริงแต่เป็นสิ่งที่มีคุณเนี่ยนะทุกข์เพราะไม่เที่ยงแต่เป็นสิ่งที่มีคุณมากมีอุปการะมากไม่ต้องไปตามย้ําว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์กไม่ต้องนี่ย <c oughs> นี่มาดูตัวโลกุตระสัมมาทิฏฐิบ้างนะโลกุตระสัมมาทิฏฐินี้แบ่งออกเป็นระดับไหนบ้างตัวนีนครั้งหนึ่ ง, งโสดาปฏิมกักนะโสดาปฏิมักแล้วก็ผลใช่สกะทาคามิมักและผลอนาคามีมักและผลอรหัตตมักและอรหัตตผลเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าโลกุตระสัมมาทิฐิ ไม่ใช่เ็บตัวนี้ใช่มั้ยก็ให้ทานแล้วมีผลในหน้าเห็นไหมไหนคือดูข้อไหนอยู่เนี่ยข้อสองร้อยห้าสิบเจ็ดเนี่ย ทีนี้มาดูสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตระว่าดูก่อนพิสูุนทั้งหลายก็สัมมาทิฏฐิที่เป็นอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มักเป็นเชไนดูก่อนพิสูุนทั้งหลายปัญญาปัญญีสีปัญญาพละธรรมวิจยะสามโพชงสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบองค์แห่งมักของพิสษุผู้มีจิตไกลข่าศึก มีจิตหาอาสวะไม่ได้พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี่แหลคือสัมมาทิฏฐิที่เป็นอริยะเป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคอันนี้เป็นโลกุตระสัมมาทิฏฐิที่บอกว่าปัญญาก็คือรู้โดยประการต่างๆไปปะบวกยาปะตัวแปลว่าทั่วยาก็แปลว่ารู้รู้ทั่วรู้โดยประการต่างๆ แต่ที่นี้เป็นปัญญาระดับโลกุตระนั้นท่านบอกว่าจำเนกออกแล้วยังประตูแห่งอมะตะให้ปรากฏขึ้นในอัตกฐาหน้า354หกล่าวว่าปัญญาในบทกลางหน้านะว่าปัญญาปัญญินดียังเป็นต้นชื่อว่าปัญญาเพราะจำแนกออกแล้วจำเนกออกแล้วยังประตูแห่งอมะตะให้ปรากฏ คือแสดงให้เห็นปัญญีสีเพราะทำความเป็นใหญ่ในอัถฐคือภาวะนั้นคือตัวเขาเองเนี่ยเป็นใหญ่ในการเห็นเห็นอะไรก็เห็นนิพานปัญญาพละก็คือไม่วันไหวด้วยอวิชชาธรรมวิจยะสามโพชงเพราะองค์แห่งการตรัสรู้ค้นคว้าสัจธรรมสีสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นดีความเห็นที่งามสมบูรณด์ด้วยความสมบูรณ์แห่งมัต องแห่งมรก็คือเขาเป็นอริยมรคนี่นะตัวตัวสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นสัมมาทิฐิที่เป็นโลกุตระภิกษูนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาทิฐิเพื่อบรุสัมมาทิฐิความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายมะเธอมีสติละมิจฉาทิฐิมีสติบรุสัมมาทิฐิอยู่สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติ ด้วยอาการอย่างนี้ธรรมะสามประการคือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติย่อมห้อมล้อมเป็นไปตามสัมมาทิฏฐิของภิกษุนั้นอันในอัตถกถาหนาส้ห้าสิบห้ากล่าวว่าก็ในที่นี้สัมมาวายามะสัมมาสติเป็นสหชาตธรรมคือเกิดร่วมกันห้อมล้อมโลกุตระทิฏฐิอโลกุตระสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะเหมือนอะไรเหมือนราชองค์ครัภ์ถือกระบี และก็เจ้าพนักงานเชิญฉัดอยู่ในรถคันเดียวกันแวดล้อมพระราชาไปฉะนั้นส่วนวิปัสนาสัมมาทิ่ฐิเป็นปูเรชาตะคือห้อมล้อมเหมือนทหารเดินเท้าเป็นต้นเดินไปหน้ารถฉะนั้นนั่นแหละมันจำเดิมแต่ที่เหลือก็ไม่กล่าวแล้วพอได้นะว่า ตัววิปัสนาสัมมาทิฐินี้ก็ต้องมีอะไรมีสัมมาวายามะอยู่ด้วยใช่ไหมสัมมาวายามะมีอะไรสัมมาสติเพียรในที่นี้คืออะไรเพียรละมิจฉาทิฐิเพียรเจริญสัมมาทิฐิเพราะมีสติเนี่ยมีสติละมิจฉาทิฐิมีสติเจริญสัมมาทิฐิเรียกว่าเป็นผู้มีสติ ในในขณะที่โลกุตระสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นก็มีอะไรมีสัมมาวายามะามีสัมมาสตาิมีสัมมาวายามะมีสัมมาสติโลกุตระสัมมาทิฏฐิเหมือนอะไรพระราชาสัมมาวายามะเหมือนอะไรเจ้าหน้าที่อะไรเจ้าหน้าที่ถือดาบถือพักขัน สัมมาสติเหมือนอะไรเจ้าหน้าที่ถือฉับให้ถือร่มเหมนะถือร่มให้พระราชาก็แวดล้อมอยู่ในรถคันเดียวกันนะนะั่ะนแหละอะเหมือนรถคันเดียวกันแต่ถ้าเป็นวิปสัมมาวายามะสัมมาสตินะที่ร่วมกับวิปัสสนาสัมมาทิฏิเหมือนอะไรบอกว่าเหมือนทหารอ่านะองครักรอบอนาบริเวณทั้งหมดอะจะต้องมีเนี่ย ทหารอะไรนะ <c oughs> เคยสังเกตไหมในหลวงเสด็จอะอนนมีเจ้าอะไรนะต่อฉะดมีตำรวจเป็นต้นเนี่ยมีทหารมีอะไรดูแลโว้ยควบคุมเติมไปหมดเลยอันวายสัมมาวายามะสัมมาสติที่เกิดร่วมกับวิปัสสนาสัมมาทิฏฐินั้นจึงเหมือนทหารนะเหมือนองครักษ์อยู่ไกลตัวมากๆเลยแต่ถ้าเป็นสัมมาวายามะสัมมาสติขณะโลกุตระเนี่ยเหมือนกับเจ้าหนะ้าที่ถือพระขัน เอาไว้ข้างหนึ่งอะนะเขาเรียกว่าอะไรนะสมัยใหม่เขาเรียกอะไรคนที่ถือดาบตามตัวเลยนะอะ เ, เป็นองครักษ์ประจำตัวเลยนะที่สละชีวิตถวายได้กับสตีก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่ถือร่มนะนะถือร่มไม่ให้ละ อ, องน้ำละ อ, องฝนเนี่ยแปดเปื้อนอันนี้ในขณะโลกุตระอตนนี้ว่าอยู่ในรถคันเดียวกัน เนีก็สัมมาทิ่ฐินี้มีใครไม่เข้าใจบ้างเพงร า, า, า, รพามีจไกล้าศึกเราเราไกลมันจิตจะมหานะครับอโอ้ยเรายาว เ, เราไปเทียบเลยมันจะเสียเสียทาพีเขาใช่้าโล ก, กุตระเอาเราไปเทียบทำอะไร เพราะว่าโล ก, กุตระนั้นมีอะไรเป็นอารมณ์บอกว่าในขณะโล ก, กุตระนั้นมีนิพพานเป็นอารมณ์นี่มาดูสัมมาสังกัปปะบ้างนะข้อ259บาดูก่อนที่สุทังหลายบรรดาองค์ทั้ง7นั้นสัมมาทิฐิย่อมเป็นประธานก็สัมมาทิฐิย่อมเป็นประธานอย่างไรคือภิกษุรู้จักมิจฉาสังกัปปะว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะรู้จัก สัมมาสังกปะว่าเป็นสัมมาสังกปะความรู้ของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิอะไรโอไม่ง่ายเหมือนกันนะรู้ว่าสัมมาสังกปะกับมิจฉาสังกปะเนี่ยรู้ไม่ง่ายเหมือนกันนะทาไมรู้ไหมเพราะเราจะเข้าข้างมิจฉาสังกปะเข้าข้างมันตลอดแนะสมมติว่าโกรธใครสักคนหนึ่งมันก็ยังดีอ่ะมันใช้ได้เพราะมันหน้าตําหนี่อ่ะมันน่าตําหนี่จริงๆ หรือเราคิดจะเอาอะไรบอกมันจําเป็นมากๆเลยที่จะต้องเอาอย่างเงี้ยนะเราก็เข้าข้างมันตลอดอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยยอมรับว่าไอ้ความคิดเหล่านั้นเป็นมิจฉาสังกปะนั่นน่ะทันใครที่รู้จักมิจฉาสังกปะได้รู้จักสัมมาสังกปะได้นี่เก่งมากนี่น่ะเก่งจริงๆพระองค์ยังชมเลยใช่ไหมว่าโอ้เป็นเป็นผู้มีปัญญาเหมืนกันน่ะเป็นผู้มีปัญญาแยกความคิดตัวเองออก ถามจำม่ิดเนี่ยว่างๆเนี่ยแยกความคิดหน่อยความคิดตัวนี้มันคืออะไรหนึ่งเคยเอามาวิจัยบ้างไหมอ๋อไ ม, ไม่ไม่จําเป็นจะต้องคือเก็บเอามาวิเคราะห์ในตอนหลังว่าความคิดตัวนั้นเนี่ยมันเสียหายยังไงไม่ใช่ว่าวัดปั๊บยูเลยไม่ได้แรกๆมันไม่ไวขนาดนั้นหรอกเว้นไวแต่สังสมวิปัสสนาปัญญามานาน ถ้าผู้ที่มีสังสมวิปัสสนปัญญามามากเนี่ยนะอาภุศโณเขาเกิดเนี่ยสองสามชาวนะก็ถือว่าช้ามากแล้วนะโอ้ยปล่อยให้เกิดตั้งสองสามชาวนะเนี่ยนะเขาบอกว่าปกตินี้ผู้มีปัญญาดีระดับหนึ่งปัญญาเร็วก็ชาวนะเดียวให้อกุศโเกิดแค่ชาวนะเดียวถ้ามีปัญญาถึงที่สุดเนี่ยนะอาวัชนะจะเป็นแนวไหนนี่เขารู้หมดเขาเลี่ยงตั้งแต่อวชนะแล้วเนี่ยนั้นความเสียหายทางความคิดเนี่ยไม่มีเลย ถ้าถ้าชำนาญอย่างแท้จริงเนี่ยแต่อย่างว่าคนที่ฝึกอย่างนั้นนี่ก็เป็นถ้าพูดหนึ่งหนึ่งก็คือสายสายที่ทุ่มเทด้วยชีวิตเนี่ยนะที่เจริญได้อย่างนั้นนะถือสิ่งเหล่านี้เป็นสาระถือสิ่งละถือถือเอาความคิดว่าเป็นสาระถือเอาการเจริญกุศลธรรมเหล่านี้เป็นสาระเขาจึงจึงเห็นคุณของการเจริญแต่ว่าหมูสัต์ทั้งหลายโดยทั่วๆไปเนี่ยไม่รู้สึกว่าไอ้ความคิดเป็นอกุศลมันมีโทษเนี่ยนะ ตรงนี้ยากมากเลยคือเขาไม่รู้สึกว่าอากุศลมันมีโทษอกุศลมันเสียหายมิจฉาสังกปะมันเสียหายเนี่ยตรงนี้เลยไม่รู้จะบอกว่ายังไงเนี่ยคือบอกเออทำไมเราเจริญกุศลไม่ได้ทําไมเราตึกธรรมะไม่ได้ทําไมอันนั้นไม่ได้แต่ก็ไม่แปลกใจหรอกเพราะาเราไม่เห็นโทษของอกุศลสังกปะจริงๆแล้วปัญญาที่วิเคราะห์อกุศลสังกปะนั่นแหละคือการเจริญปัญญาเนี่ยนะ ะคือเอาเอาเอาอากุศลสังกปะเอาความคิดที่เป็นบาปเป็นอากุศลมาวิจัยดูไอเราเนี่ยเราคิดถึงสิ่งนี้มีโทษอะไรนะ่เคยคิดไหมสงว่าคิดถึงดอกไม้สวยสวยซักดอกหนึ่งเสียหายตรงไหน น, นีคิดถึงหมานี่มันเสียหายตรงไหนเสียหายก็คือของคุณไม่ต้องอธิบายแล้วของมาเข้าใจแล้วแต่ว่าคุณไม่ยอมมองเห็นว่าเป็นความเสียหายเลย อันนี้อย่างหนึ่งนะนี่ยกตัวอย่างหนึ่งอย่างคิดถึงเสื้อเนี่ยนะเอ๊ะมันเสียหายตรงไหนใส่เสื้อโดยไม่ปัจเจกเนี่ยนะไม่ไม่ไมพิจารณาเลยท่ามันเสียหายตรงไหนทานข้าวใหม่ปัจเจกทานด้วยความ อ, ร, อร่อยอรก็ของเราชอบอะ่ะเราก็หาเงินหนาทองมาด้วยหยาดเหงื่อของเราเรามาบริโภคมันเสียหายตรงไหนบริโภคด้วยอากุศลใช่ไหมท่านนึกถึงคนที่เราชอบนึกถึงสิ่งที่เราชอบมันเสียหายตรงไหน ตรงนี้แหละที่เรียกว่าผู้ที่จะวินิจฉัยออกว่าเสียหายน้อยนักเมื่อวานเออเมื่อวานลองถามแล้วนี่ยอากุศลวิตกเกิดขึ้นเสียหายตรงไหน<ส>วันนี้ถามอีกเอาวินิจตอบว่าถ้าอากุศลวิตกเกิดหนึ่งครั้งมันเสียหายตรงไห น, นเสียหายอะไรบ้างทําไมจะต้องไปควบคุมแม้กระทั่งความคิดขนาดนั้น มันจะล่องลอยไปบ้างจะเป็นไรไปอย่างนี้หรือเปล่าคือจะดูว่าสัมมาทิฏฐิวิจารณาญาณแม่นยำขนาดไหนจะปิดเทอมอยู่แล้วผมจะคิดช้าพูดช้าด้วย คือคือถ้าถ้าอากุศลวิตกเกิดขึ้นเนี่ย ส, สิ่งแรกที่เราขาดไปก็คื อ, อแสดงว่ากรรมมสกตาของเราไม่ดีคือไม่รู้ผลของกรรมที่ที่จะจะมีขึ้นพอกรรมมสกาสกาไม่ดีก็ก็จะจะเห็นอะไรหลายๆอย่างผิดพลาดไปหมดเลยคือความเห็นว่า โลกเป็นอย่างนั้นความกุศลเป็นอย่างนี้แล้วละแล้วมรรคแปดที่จะตามมาก็ก็คงจะไม่สมบูรณ์เพราะต่อมาก็โยนิโสก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วก็ขณะที่อกุศลเกิดเนี่ยนะกุศลไม่เกิดก่อนอันนี้เห็นชัดเลยใช่ไหมเหมือนกับว่าถ้าจ่ายนี่ก็แปลว่าไม่ได้รับอะแปลว่าหมด อกุศลที่เกิดขึ้นเนี่ยกุศลไม่เกิดคือกุศลที่ควรจะเกิดเนี่ยนะบรรดากุศลในภูมิสี่เนี่ยนะกรรมวจรกุศลรูปาวจรกุศลอารูปาวจรกุศลโดยที่สุดแม้โลกุตระกุศลสมควรเกิดเป็นอย่างยิ่งกุศลธรรมเหล่านั้นไม่เกิดไม่มีไม่เจริญเนี่ยนะอันนี้คือความเสียหายก่อนเพราะขณะที่อกุศลวิตกเกิดขึ้นเนี่ยทานไหมคิดน้อมไปในทานมีไหมถ้ารักษาอุโบสถอยู่นี่คิดถึงอุโบสถสักข้อไหม ก็ไม่มีเนี่ยะพระพุทธคุณมีตั้งมหาศาลเนี่ยนะนึกบ้างไหมก็ไม่นึกธรรมคุณเนี่ยนะปิดอกสามเลยนะไม่เอาสักอย่างความปฏิบัติดีของภาษารีบุตรเป็นต้นเอาไหมไม่เอาจากานุสติเป็นต้นเทวตานุสติก็ไม่มีฮิริโอตปะก็ไม่มีสติสัมปชัญญะอะไรก็ไม่มีบาปลุ่นล้วนที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเปรียบเหมือนอย่างว่ามีบอ่อน้ํามันอยู่บอ่อหนึ่งใช่ไหมก็เอาไม่ขีดลงไปอะนะ เขาพิ่มขึ้นมาเลยก็มีบางคนที่ที่ไม่รู้ตัวว่าไอ้ไฟที่มันลุกขึ้นมันมีโทษไฟคืออาคุศลเหล่านั้นมันมีโทษแต่จริงๆแล้วพระองค์ก็ตรัสตั้งแต่สมัยพุทธกาลอยู่แล้วว่าคนที่จะเกียรติกันอกคุศลวิตกด้วยฮิริโอตะปะมีน้อยนะักไม่มากสมัยนั้นยังไม่มากเลยนะนั่นสมัยนี้ก็ไม่น่าจะมากสักเท่าไหร่ที่จะรังเกียจมิชฉาสังกปะ เช่นรังเกียจว่าเออนี่มันอกุศลสังกปะนะตรึกอย่างนี้เป็นกามวิตกตรึกอย่างนี้เป็นพยาบาทวิตกตรึกอย่างนี้เป็นวิหิงสาวิตกแต่ถ้าเขาคิดให้ดีๆเนี่ยจะรู้ว่าถ้ามิจฉาสังกปปะเกิดขึ้นมิจฉาวาจาจะตามมามิจฉากัมมันตะจะตามมามิจฉาอาชีวะจะตามมามิจฉาวายามะเป็นต้นก็จะตามมา เขาก็จะดําเนินมรคาเดินปฏิปทาเพื่อไปสู่อาบายถ้าถ้าหากว่ามองเขาก็ไม่ได้คนที่มีปัญญาจริงเขาก็ไม่ได้คิดอยู่แค่แค่ขณะที่มันเกิดขึ้นถ้าพิจารณาแค่ขณะเกิดขึ้นเท่านั้นจะไม่รู้สึกว่าเสียหายแต่เข้าพิจารณาเพราะเขาเอาประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกห น, น, น้าประโยชน์อย่างยิ่งมาเป็นเครื่องวัดเลยเห็นว่าขณะที่อกุศลวิตตกเกิดขึ้นนั้นจึงเสียหาย กุมวนมีเคยคิดไหมว่าถ้อากุศลจิตเนี่ยมันเกิดขึ้นมันเสียหายมากๆเลยที่ปล่อยให้มันเกิดเนี่ยนะเคยคิดอย่างนี้บ้างไหมอ๋อว่าท ำ, ทำเหตุไม่ดีให้กับตัวเองเอาไว้นั่นะชื่อว่าผู้เบียดเบียนตนน่นะก็ดีแล้วนั่นะมันก็ให้รู้จักว่ามิจฉาสังกปะเนี่ยเป็นสิ่งที่เสียหายมีโทษที่แน่ๆเลยเนี่ยนะ อย่างถ้าการมสังกปะเกิดขึ้นเนี่ยเนคขมะสังกปปะที่ควรจะเกิดไม่มีถ้าพยาปาท่าสังกปะเนี่ยนะเมตตาพรหมวิหารเป็นต้นก็ไม่มีถ้าวิหิงสาสังกปะเกิดกรุณาพรหมวิหารก็ไม่มีะนะเมื่อพรหมวิหารไม่มีเนคขมะไม่มีก็บาปล้วนๆอย่างเดียว ส่วนสัมมาสังกปะเป็นไนะดูกรพิสูจนทั้งหลายเรากล่าวสัมมาสังกปะไว้สองอย่างคือสัมมาสังกปะที่ยังเป็นสาสะวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันอย่างหนึง่งสัมมาสังกปะของพระอริยะที่เป็นอนาสะวะเป็นโล ก, กุตระเป็นองค์แห่งมัดอย่างหนึง่ง สัมมาสังกัปปะที่ยังเป็นสา governed, สาวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันเป็นชไหนะดนูความพิสูจน์ทั้งหลายความดำริในเนคขมะหนึ่งความดำริในความไม่พยาบาทหนึ่งความดำริในความไม่เบียดเบียนหนึ่งนี้คือสัมมาสังกัปปะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันก็เป็นความคิดที่เป็นกุศลนะไม่มีโทษคือเนคขมะสังกัปปะอัพยาปาะธาสังกัปปะอย่างอัพยาปะธ า, าสังกัปปะก็มีเมตตาเนี่ย เนคขมัสังกปะก็เช่นเจริญพุทธคุณเป็นต้นอัพยาปาท่าสังกปะก็เจริญเมตตาอาวิหิงสาสังกปะก็เจริญกรุณาเนี่ยนะของมาก็พยายามจะพูดว่าคุณไม่เจริญเมตตาให้ใครก็เจริญให้ตัวเองก่อนเนี่ยนะถึงจิตใจมันจะแห้งแล้งเมตตาไม่มีช่วยเหลือเกื้อกูลใครก็ช่วยเหลือตัวเองก่อนเพราะว่าคนคนเบียดเบียนตัวเองทางความคิดนี่ไม่ใช่น้อยเนี่ยนะ รู้ไหมว่าทําเรื่องนี้เราจะต้องลําบากใจในภายต่อไปเนี่ยนะบางทีก็รู้เหมือนกันนะแต่ก็ยังยังฝืนอยู่อีกฝืนที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองจะต้องเดือดร้อนต่อไปแสดงว่าตัวเองเป็นผู้ประทุสร้ายตัวเองมากรู้อยู่แล้วความคิดแบบนี้เดือดร้อนแนะ่ลําบากภายหลังแนะ่คือที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าวิจารณญาณไม่ค่อยดีนั้นก็ต้องพยายามเจริญเมตตาน้อมหาประโยชน์เข้าหาตัวเองนะ วันนี้เป็นวันอุโบโสถเป็นวันที่สมควรมากเป็นวันสมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องระลึกถึงศีลสีเลนะสุขติยันติพระพุทธเจ้าตรัสว่าศีลเหล่านี้ที่เราปกปักรักษาเป็นอย่างดีนี่นะจะทำให้เราไปสู่สุขติพันนี้เป็นทรัพย์ของเรานะเราหมั่นระลึกนะให้จิตของเราเนี่ยเห็นคณของศีลอยู่กับศีล อนะเป็นศีลอุโบสถเป็นอริยะอุโบสถ เ, เป็นต้นเนี่ยนึกเพราะนี่เป็นประโยชน์ของเราเป็นทรัพย์ของเราที่เราจะต้องไปสเสวยเป็นต้นในภายภาคหน้าเห็นคุณอย่างนั้นไหมถามจริงครับใครเป็นนึกอย่างนี้บ้างคุณุรจรินนึกไหมสีเลนะสุขติญจันติอ๋อวันนี้อริยสัตหนึ่งนะโอ้อริยอุโบสถเสูงมากอะจริงๆถ้าพิจรารณาอริยาสัต์เนี่ยนะศียก็นับหนึ่งในอริยสัจไหม เป็นสัจจนานหยมัคคสัตมัคคสัตเนี่ยนก็มามันึกว่าเออเนี่ยมันเจริญพุทธานุสติธรมานุสติสังขานุสติเนี่ยนะเพราะว่าความคิดที่เป็นกุศลเหล่านี้เนี่ยมีคุณเป็นอย่างมากเนี่ยนะอุปการะมาก